ตอนบรรยายธรรมในวันครูวันที่16มกราคม2558ก็ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณเมชีกัะยามิตรทุกคนนั่งสบายๆเนาะก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งวิถีไทยเราสมมุติว่าเป็นวันครูในยะของครู ครูคือผู้ประสาทวิชาเป็นครูประศาทก็คือผู้ให้ไม่ใช่ผู้ขายวิชาพราคูเน้นเรื่องนี้บ่อยๆนะครูสมัยโบราณเนี่ยเป็นปูชนิยบุคคลนะเป็นเป็นอุบายวิธีของคนไทยเราเนี่ยนะเพื่อให้รู้ว่าใครทาหน้าที่อะไรแล้วก็เป็นอุบายวิธีในปลุกสานึก ความกระตันอยู่รู้คุณที่ผู้เขาประสาทวิชาให้เราคนให้เงินเราเนี่ยเขาให้วัตถุเราเราเราหิวเขาให้ข้าวเรากินแล้วเราก็หิวอีกนะแต่คนที่ให้ธรรมทานคือให้วิชาเรานะั้นเราสามารถเอาวิชานะั้นอะไปทำมาหากินเลี้ยงชีพตลอดชีวิตนะการประสาทวิชาจึงมีคุณค่าม า, มากกว่าการให้สิ่งของนะครูจึงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ เป็นภูช่ียบุคคลแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปยุควัตถุนิยมแข่งขันเสรีครูเป็นเพียงแค่ อ, อาชีพครูวิชาชีพเรียนมาเพื่อเป็นครูเพื่อได้เงินตอบแทนอันนี้เป็นเรื่องปกตินะทุกคนต้องอยู่ได้ทุกอาชีพอาชีพอาศัยยังชีพคืออยู่ได้ไม่ตายต้องเลี้ยงชีพได้เพื่อเราจะได้มีชีวิตนี้อยู่เพื่อสร้างความดีนะ แต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่ให้เป็นครูและวเขาให้เป็นอาจารย์หนึ่งอาจารย์สองอาจารย์สามนะถ้าเรียนในห้องก็สอนแค่สอนถ้าไปเรียนพิเศษนะครูก็ขายวิชา <c oughs> ปัจจัยของความเป็นครูนั้นมันหายไปนะแต่คงไม่ใช่ครูพรลานคอยนะอันนี้ครูนัยยะซึ่งเป็นผู้ประสาทวิชา ส่วนการมากราบไหว้ครูนั้นเป็นประเพณีที่สวยๆงามๆโดยเฉพาะถ้าหลายคนเห็นเนี่ยมาเห็นว่าเอ๊ะพราครูไม่ได้บวชไม่เป็นไม่ใช่เป็นภิกษุมากราบทำไมนะคนโบราณก็บอกกราบพระเถลูกนะพระอยู่ในภูเขาจิตนะพระมันอยู่ข้างในมันไม่เกี่ยวเครื่องแต่งกายแต่ก็เป็นแค่สมมุตินะการกราบไหว้ใน วิถีไทยเราเนี่ยเป็นอุบายวิธีเนี่ยทำให้เราทําลายอัตตาตัวเองนอบน้อมถ่อมตนกราบบ่อยๆไหว้บ่อยๆเราจะไม่หลงตัวเองแต่เป็นการกําจัดอัตตาอย่างหนึ่งเป็นประเพณีที่สวยๆ ง, งามๆนะก็รักษามันไว้บางทีสอนโดยไม่ต้องสอนคือพาทำทำนะเหมือนอาจารย์แลมองเป็นคู่ผู้บรสุท์ของเราเนี่ย เออท่านดูแลเรื่องจริยธรรมเด็กเคยขอให้พ่อครูขอห้องพิเศษเพื่อจะสอนจริยธรรมเด็กพ่อครูบอกว่าอาจารย์จริยธรรมเนี่ยไม่ใช่วิชาสอนแต่เป็นจริยวัดซึ่งต้องพาทำเขาเป็นปกติเห็นไหมเด็กมาโรงเรียนปุ๊บเนี่ยคุณครูไม่ต้องสอนให้เขาไหว้นะคุณครูไหว้เขาก่อนหวัน ด, ดีจ้าวัน ด, ดีลูกนะเดี๋ยวเขาก็ไหว้เรามันก็กลายเป็นความปกติของคนไทย นะไม่ใช่สอนให้เขาตามฝรั่งพูดกระตักระตาแล้วค่อยามาสอนวิชาจริยธรรมอันนี้มันสายเกินแก้นะเราต้องพาทำให้เป็นปกติเป็นวิถีนะนะทำไปเรื่อยๆ เ, เขาก็เคยชินก็เป็นวิถีเขาเขาก็กลายเป็นคนนอบน้อมถ่อมตนรู้กาละและเทศะนะอันนี้คือวิถีไทยที่มีความสวยงาม แต่เราถูกทำลายหมดนะแล้วก็มาค่อยสอนทำลายวัฒนธรรมแล้วก็ไม่ค่อยรักษาวัฒนธรรมนะอันนี้ก็ผู้ครูเน้นวันครูเนี่ยเราทุกคนยุ่งไม่มีเวลานะแต่เนื่องจากเรามีสานึกนะมาสนองคุณครูบาอาจารย์ที่เขาประสาทวิชาเราลึกถึงคุณของท่านเราต้องวางทุกอย่างนะโดยเฉพาะคำว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกอยู่ในบ้าน นะครูนะก็เปรียบเสมือนผู้ประสาทวิชาผู้มีบุญคุณกับเรานะส่วนกาบพระนะกาบทั่วไปก็เป็นอุบายวิธีเพื่อให้เรานอบน้อมถ่อมตนทำลายอัตตาตัวเองถ้าได้กาบพระอริยะเจ้านั่นนะเป็นบุญของเรานะต้องดูเข้าไปในจิตอันนี้คือพระครูพูดถึงเรื่องครูแล้วทีนี้ก็ฝากคุณครูไว้แล้วทุกท่านนะ ทุกอย่างที่เปล่งออกมาไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่ใช่ธรรมะนะธรรมะคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจรงิงการที่เอาความจริงมาสนทนากันคือการแสดงธรรมอย่างหนึ่งธรรมะไม่ใช่ภาษาบาลีไม่ใช่อยู่ที่อินเดียหรือภูเขาหูบาเลยเท่านั้นธรรมะคือความจรงิงนะก็ต้องเน้นบ่อยๆคุณครูอย่าง น, น้อยปีหนึ่งได้มาเจอพระครูนะแล้วต่อไปพระครูงาน แ่ใหญ่เสร็จแล้วเพราะครูจะร่วมประชุมคุณครูบ่อยๆนะทุกวันนี้ต้องเตือนสติเพราะคุณครูก็อยู่กับวิถีทางโลกทั้งนั้นน่ะถ้าเผลอปุ๊บคุณครูก็จะถูกความคิดแบบวัตถุนิยมกลืนวิชาแรกที่คุณครูต้องสอนเด็กและคุณครูต้องเรียนรู้อย่างถ่องแท้เป็นวิชายวิชาประจำตัวมนุษย์คือไตรสิกขาหรือศินสมาธิปัญญา คนโบราณเขาเตือนเราตลอดเวลามากว่าการเอารู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีฟังนะคำนี้มีในยะของมันหลายระดับนะเราฝึกจิตก็มีระดับสัมมาทากรรมฐานและพัฒนาสูวิปัสนาส่วนทำไมไตรสิกขาเนี่ยหรือสีนสมาธิปัญญาหรือเรียกว่าทานสีนภาวนาเนี่ยเป็นเครื่องมือวิชาประจำตัวมนุษย์ทำให้เราเอาตัวรอดเป็นยอดดี แต่ตอนนี้เราเรียนวิชาการเพื่อจะเอาตัวรอดเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นแล้วรอดไหมนะเดี๋ยวฟังนะไม่รอดเหมือนเรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเราเอาตัวรอดเราสร้างฐานะเฉพาะตัวเองเราคิดว่าเรารอดเรารอดอย่างมากเราก็รอดเราเก่งที่สุดรอดเรื่องเศรษฐกิจเราไม่เดือดร้อนนะแต่เราไม่รอดปากเยว่ปากกาเราไม่รอดจากความทุกข์ เราไม่รอดจากการเกิดยังไม่รอดเป็นแค่คนเห็นแก่ตัวเท่านั้นเอง น, นะสมัยก่อน4ี่สิปีพ่อครูพิ่งตามโลกพ่อครูแรงมากสินห้าบอกไม่ให้ทำอะไรทำหมดแต่สิ่งหนึ่งที่พ่อครูไม่ละเลยเนี่ยพ่อครูเป็นอะไรละ่ะเขาเรียกว่าแฟม i l ี่แมพ่อครูไม่เคยทิ้งครอบครัววันที่พ่อครูมีความสุขที่สุดในวันหนึ่ง นะคือน้องขี่ได้เกิดขึ้นมาจากโลกนี้นั่นคือเขาเรียกว่าโลกยียสุขพราอครูไม่เคยทิ้งครอบครัวพ่อครูเป็นแฟมารี่แมนแล้วพ่อครูตั้งมั่นทํามาหากินแล้วก็ครอบครัวไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจแต่พ่อครูก็ไม่รอดพ้นจากความทุกข์พ่อครูไม่เคยเรียนวิชาประจําชีวิตคือศีลสมาธิปัญญานะเราอยาคิดว่าเราเอาตัวรอดนะเป็นด็อกเตอร์เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งก็ยังไม่รอด นะอันนั้นรอดแค่หยับอยากอยากเอาตัวรอดเลยกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวมีแต่จะเอามีแต่จะจ้องจะขอไม่เคยคิดที่จะให้วิชาพระเจ้าสอนให้เราเอาตัวรอดจริงๆเมื่อเราให้บ่อยๆคนที่เราให้เขาเนี่ยเขาก็รักเราเขาก็เคารพบูชาเราเขาก็ป้องกันภัยให้เรา เราคิดว่าเราไปแย่งคนอื่นเขาเราชนะเราได้เปรียบสักวันหนึ่งเขาก็จะฆ่าเราเราไม่รอดนะนี่คือวิชาหลักที่มนุษย์ทุกคนต้องเรียนคุณครูทุกคนต้องศึกษาและปฏิบัติให้มันเป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนนะสอนสอนสอนสอ น, สอนเข้าหูซ้ายออกหูขวาแต่พฤติกรรมเราเนี่ยไม่น่าเชื่อถือเลยเนี่ยมันไม่มีสาระอะไรและเราก็ไม่ได้ทำให้เด็กเขาเอาตัวรอด นะวิชาที่ทำให้มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์เปรต เ, เนี่ยเอาตัวรอดได้ก็คือศีลสมาธิปัญญาเป็นวิชาแรกเราต้องสอดแทรกวิชานี้เข้าเข้าไปกับทุกๆวิชาที่เราถูกกระทรวงศึกษาบังคับให้เราสอนนะเราหนีไม่พ้นเราก็สอนแต่อย่าไปโง่เพราะวิชาเหล่านั้น่ะมันไม่ให้เราตัวรอดมันไม่ได้รอด มันทำให้เราโงา่ทำให้เราเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวคือคนโง่อย่างยิ่งในทางโลกเราคิดว่าคนคนหนึ่งเป็นแฟมิลี่แมนเป็นคนรับผิดชอบครอบครัวเป็นคนตั้งใจทำมาหากินเป็นคนดีนะก็ดีระดับหนึ่งรอดระดับหนึ่งนะเรารอดในเรื่องเศรษฐกิจเราไม่เดือดร้อนไม่ใช่ไม่เดือดร้อนนะบางคนเนี่ยรวยแล้วก็ยังเดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจอยู่เพราะมันยังไม่พอ มันก็ยังทุกข์เพราะจะหาเพิ่มนะไม่มีเวลาที่จะไปแบ่งปันคนอื่นนะเราก็ไม่รอดจากปากเยว่ปากกาที่เขานินทาอิจฉาเรานะถ้าเรามีแล้วเป็นผู้ให้เนี่ยไม่มีใครอิจฉาเราหรอกเขาอนุโมทนาสาธุแต่ถ้าข้าเรามีเนี่ยเอาแต่ตัวรอดคนเดียวแล้วคนอื่นไม่มีจะกินเนี่ยเขาอิจฉาเราเขาจะเกียจชังเราแล้วข้อเขาจะทำลายเราเรายังไม่รอด นะเราเก่งมากเราหาเงินเยอะๆตอนนี้ญาติธรรมมีหลายคนนะเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ทำงานนี่สำเร็จในระดับหนึ่งมีฐานะการเงินดีแต่สุดท้ายแล้วนี่รอดไหมเป็นโรคเครียดต้องกินยาละงับประสาทเป็นโรคหวาดผวาเนะี่ยไม่รอดจากโรคภัยไข้เจ็บนะไม่รอดสักคนหนึ่งรวยที่สุดอันดับหนึ่งของโลกถึงอันดับสิก็ยังไม่รอดนะ วิชานี้จึงเป็นวิชาที่ประจำตัวมนุษย์มนุษย์ทุกคนต้องเรียนไม่ใช่เรียนรู้เฉยๆว่าใจเสีกขาท่องจำมีศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่รู้อย่างนั้นต้องทำให้มันเกิดขึ้นกับเราเราต้องเป็นคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาและไอ้ตัวนี้มันมันไม่ได้หายไปไหนสมมติว่าชาตินี้เรายังไม่รอดเต็มที่เราตายแล้ว ไอ้อนนิสงส์ตัวนี้จะทำให้เราเกิดอยู่ในร่างที่ดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสทําให้มันรอดนะสุดท้ายความรอดที่ยิ่งใหญ่คือเห็นไหมเราเกิดมาวันแรกลูกเศรษฐีร้องไห้ทำไมมันไม่รอดละมันหลงมาเกิดแล้วมันก็ร้องไห้แหกปากร้องเลยมันน่าจะดีใจนะพ่อฉันรวยนะมันร้องไห้ทำไมเห็นไหมเราไม่รอดจากความทุกข์ พอแก่มาก็ลุกก็โอยลุกก็นั่งก็โอยเห็นไหมไม่รอดจากความทุกขทรมานที่เราแก่พอเจ็บมาไม่ต้องอธิบายเลยร้องโอดควรกันเห็นไหมเราไม่รอดวันที่จะตายเนี่ยถ้าเราไม่มีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราจะตายไม่ลงเราจะทุกข์มากนะตัวเก่งไปหมดไม่กี่วันก็เน่าเหม็นนะก็ไม่รอดอีกแล้วก็ กลับมาเกิดอีกเราไม่รอดจากวัตะสงสารนะไม่มีวิชาในโลกนี้เนี่ยที่มันสอนให้เราเนี่ยเอาตัวรอดมีแต่สอนให้เราเห็นแก่ตัวนะเราคิดว่าเราเห็นแก่ตัวเรารอดแล้วเนี่ยอันนั้นโกหกลอดจากความหิวโหวยเรื่องเราไม่มีกินเราก็มีเงินซื้อกินแต่ไม่ลอดจากความ หิวโหวยที่จิตใจเราแห้งแรงเพราะความไม่พอของเรามันหิวโหวยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอก็ยังอยากหาเพิ่มเห็นไหมอารมณ์ที่มันหิวโหวยเนี่ยเหมือนเปรตเหมือนอสูรลกายนะชีวิตของเราทุกวันนี้เนี่ยเหมือนเดินอยู่ในทะเลทรายไม่มีอะไรจะกินหิวไม่มีน้ําดื่มโหยนะ เราไม่รอดจากความหิวโหวยมีเท่าไหร่ก็ยังหิวโหวยอยู่นะเห็นไหมวิชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งพ่ะครูถวายชีวิตไม่มีใครจะยิ่งใหญ่แค่นั้นที่ไปรู้สิ่ง น, นี้มานะเมื่อเราเข้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเรารอดจริงๆรอดถาวรรอดพ้นจากวัตฏสงสารรอดพ้นจากการเกิด ถ้าเกิดมาเนี่ยก็ยังไม่รอดเอาล่ะยังไม่ทำไม่ถึงแค่นั้นเอาปัจจุบันให้มันรอดก่อนนะชีวิตคืออะไรชีวิตคือความเป็นความอยู่มันยังหายใจอยู่มันยังไม่ตายถ้าหายใจเข้าแล้วมันไม่ออกก็ตายละหายใจออกมันไม่เข้าก็ตายแล้ว ชีวิตเรามีอยู่เพียงแค่นี้นะถ้าใครมีหน้าที่ทำให้ลมหายใจเราเป็นปกติได้นั่นแหละชีวิตเราเป็นปกติสุขแต่ตอนนี้ดีใจมากเกินไปทุกวันที่หนึ่งบางทีช็อกตายได้ด้วยมันก็หายใจไม่ทันตกใจเสียใจมากเกินไปมันลมหายใจไม่ปกตินะก็เป็นบ้าช็อกตายได้เหมือนกัน วิชาเหล่านี้ซึ่งมันวิชาที่มันใกล้ตัวอยู่ในตัวเราเลยเนี่ยแต่เราไม่เคยเรียนรู้มันเลยนะนั่นแหละเรามีโอกาสในชีวิตนี้ได้มาเป็นครูนะถือว่ายิ่งใหญ่มากคาว่าเป็นครูเนี่ยไม่ใช่ต้องเป็นครูในโรงเรียนมาสอนเด็กอย่างเดียวนะทุกคนเป็นครูได้นะ ทุกคนเป็นครูให้กับตัวเองสอนตัวเองแล้วก็เป็นแบบอย่างตัวให้คนอื่นให้เด็กคนอื่นให้ผู้คนในสังคมเนี่ยเขาเห็นนั่นแหละคือครูแต่ตอนนี้มีแค่อาชีพครูทุกคนแค่ทำงานเพื่อต้องการสิ่งตอบแทนเพื่อดำรงชีวิตเราคิดว่าเราเอาตัวรอดนะบางคนนี่ขยันขันแข็งไม่ใช้เงินเก็บหอมรอมริบ เออเป็นคนดีเขาบอกว่าคนดีนะฐานะก็ไม่เดือดร้อนแต่ไม่เคยคิดจะให้เลยเราก็ยังไม่รอดนะเพราะความอยากเราเนี่ยพอเราสูญเสียปุ๊บเนี่ยบางคนไม่ได้เสียอะไรนะตั้งใจว่าจะได้ร้อยหนึ่งพอแย่งเข้ามาได้ห้าสิบเนี่ยก็ยังทุกอยู่เราไม่รอดจากความทุกข์แล้วมันไม่มีวันสิ้นสุดนะ ทุกคนมีโอกาสแล้วเกิดมาเป็นคนไทยเกิดในแผ่นดินนี้มาเจอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยิ่งอย่างยิ่งใหญ่มากประทานวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอันนี้แหละเป็นวิชาหนึ่งที่ทำให้เราอยู่รอดแต่วิชานี้ต้องมีเครื่องมือทำให้มันสมเด็จคือต้องมีศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพอเพียงมันแค่ไหน พอเพียงไม่ได้ไปว่าพอแล้วพอใจเพียงแค่มีมีมากก็พอใจมีน้อยก็พอใจแต่ไม่ได้ไปว่าพอแล้วต้องขยันขันแข็งทำต่อไปทำแล้วได้ก็พอใจทำแล้วเสียก็ต้องพอใจนะตอนนี้ถ้าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเราคิดเราจะเอาตัวรอดทาแล้วได้ฉันก็ดีใจพอทำแล้วเสียบางทีไม่ได้เสียนะตัวเองไม่ได้เสีย ขาไปแย่งเงินกันอยู่ตรงนั้นน่ะนะแย่งสู้เขาไม่ได้เขาได้เก้าสิบเราได้สิบบาทก็ยังเสียใจโดยที่ตัวเองไม่ได้เสียอะไรไม่รอดไม่รอดจากความทุกข์นะแต่ถ้าเรารู้จักพอใจเพียงแค่มีได้สิบบาทก็พอใจได้ร้อยบาทก็พอใจแม้กระทั่งไม่ได้เลยศูญเสียอีกนะแทนที่จะไปแย่งเงินเขาเงินเราก็ทาไปตกอีกร้อบาทเนี่ย ก็ต้องพอใจนะพอใจในสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะทำแล้วได้สบว่าได้เงินพอใจทําแล้วมันพลาดมันเสียโอกาสได้เงินแม้กระทั่งลงทุนไปแล้วก็เสียเนี่ยก็ต้องพอใจเราได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ครั้งใหญ่ในชีวิตเรามาเรียนหนังสือทําไมเดือนจากอนุบาลจนปริญญาทีโทเอกเราลงทุนทําไม ลงทุนคุณพ่อคุณแม่ก็ลงทุนเรื่องเงินเราก็ลงทุนเวลาของชีวิตเรานะแลกกับความรู้เรายังยอมลงทุนตอนนี้ถ้าเราทำอะไรทำทำจริงๆ จ, จังๆทำอย่างตั้งมั่นแล้วมันเกิดพลาดโดยเฉพาะวิถีแข่งขันเสรีเนี่ยเอาละเราทำจริงร้อยเปซและคู่ต่อสู้เรามันก็ทำจริงร0 0ยเต แต่กําลังมันมากกว่าเรายีสเอร์ซนมันเลยกลายเป็นกําลัง120ร้อยยสเปอร์ซนาก็แพ้มันนะมันแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญวาสนาไม่ได้แต่ถ้าเราแพ้ปุ๊บเนี่ยต้องพอใจเพราะเราได้ทดสอบความสามารถเราเต็มที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าอืมกาลังเขามากกว่าเราเห็นไหมเราก็ได้มีประสบการณ์ต่อไปชีวิตเราเนี่ยก็จะไม่พลาดอีก ก่อนจะไปทำอะไรต้องรู้เขารู้เรารู้กำลังว่าตัวเองเนี่ยมีกำลังปัญญาแค่ไหนมีแรงมีร่างกายที่แข็งแรงแค่ไหนถ้าเป็นเรื่องทุนนิยมเนี่ยนะต้องดูว่าตัวเองมีทุนแค่ไหนแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่เคยเห็นตัวเองเลยเพราะเราไม่มีศีลสมาธิปัญญานะเห็นคนอื่นมีมก็อยากมีก็เลยไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนกับเขาเขาลงทุนโดยเขาได้ดอกเบี้ย เราลงทุนโดยเราเสียดอกเบี้ยจุดเริ่มต้นเราก็แพ้มาแล้วนะอันนี้คือเราไม่มีศีลสมาธิปัญญาเราไม่รู้ความพอดีของตัวเองนะมีแต่ความอยากนะทุกคนมีความอยากเรายังไม่ใช่พระอาหารหันต์แต่ต้องอยากแค่พอดีอยากเท่ากับกําลังที่เรามีอยากมากเกินไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทางสายกลางทุกแน่ๆ อันนี้พาะครูเกินินะวิชาแรกที่ทุกคนต้องใช้เวลาศึกษามันอย่างจริงจังวิชาอย่างอื่นเนี่ยเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ไม่เป็นไรนะเออถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยเราอยากเรียนรู้อะไรมันก็เห็วมากคนมีศีลมีเกราะป้องกันภัยไม่เสียเวลากับเรื่องไร้สาระ คนมีสมาธิเนี่ยตั้งมั่นเรียนรู้อะไรมันเรียนรู้เร็วคนมีปัญญามันก็รู้ว่าควรจะเรียนรู้อย่างไรตอนนี้ข้อมูลข่าวสารนี่ง่ายมากโดยเฉพาะคุณครูต้องระวังนะหมายถึงว่าเราไปเรียนจบปริญญาตีบาทุกคนถูกก็อปปี้ให้คิดอยู่ในกรอบนั้นไม่กล้าคิดนอกกรอบนะแล้ไม่กล้าคิดนอกกรอบเนี่ยความรู้เราก็มีข้อจํากัดไม่เคยพัฒนา เราก็สอนลูกหลานเราก็อยู่ในกรอบเหมือนเก่าทุกคนโง่เหมือนกันนะถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาเราก้าที่จะเอาข้อมูลที่เราเรียนมาเนี่ยมาพัฒนาให้มันดีขึ้นนะคำขนของเราเป็นยังไงเราเข้าค่ายเมื่อวันปีที่ผ่านมาต้องดีกว่าเก่าต้องดีกว่าเก่าต้องดีกว่าเก่าต้องดีที่สุดต้องดีที่สุด ต้องดีกว่าเก่าแต่ถ้าเราไม่มีคนมีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราก็ขี้เกียจที่จะพัฒนาจมปักอยู่กับความเคยชินนั้นมันจะไปก้าวหน้าได้อย่างไรไม่ว่าทางโลกทางธรรมเหมือนกันนะเรามีโอกาสนะนะส่วนมากเราเป็นพุทธศาสนิกชนนั่นแหละตั้งแต่เกิดมาก็เรียนพุทธศาสนาและครูที่นี่เนี่ยครูผู้ชาย ส่วนมากก็มีโอกาสได้บวชเรียนมาแล้วครูผู้หญิงบางคนก็ถึงขนาดไปบวชชีพอพูดถึงบวชชีปุ๊บเมื่อกี้มันก็ปิ๊งขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งตอนครูขีครูปุ้ยครูอครูเอี้ยงไปเรียนที่วิทยาลัยไม่ชีไปบวชที่น่นเพราะเรียนกส น, นที่นี่เพราครูก็บ่มเพาะเรื่องศีลสมาธิปัญญาเราก็คิดว่าให้เดินสายพุทธ ไ่บวชปีหนึ่งก็ยังไม่เห็นพอปีที่สองเห็นอะไรหมดเลยพอกลับมาก็มาประชุมกับพระครูทั้งสี่คนนั่งร้องไห้ครูปุ้ยภาวนาแต่ ว, ว่าขอบวชตลอดชีวิตพอถึงปีที่สองเนี่ยท้อใจท้อถอยมานั่งร้องไห้ทำไมรู้ไมไม่ชี้ที่นู่นต้องบินทบาทผู้เฒ่าผู้แก่มือสันๆนนั่งก้มอยู่ก็ มาตักมาใส่บาตรแต่พอกลับมาเพื่อนไม่ชีต่างๆไม่มีศีล น, นะไม่ชีเราละอายใจมากพราะกูบอกสึกทะลุไม่ใช่ว่าบวชอันเป็นแค่พิธีลีตองเป็นแท่รูปแบบอย่างหนึง่งแต่ถ้าบวชในรูปแบบนั้นแล้วก็ทําตัวให้มันดีๆนะสมควรแก่กราบไหว้และบูชาอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ชีเรายังมีเรื่องฮีเีโอตาปา ยังมีความละอายต่อบาปถ้าพุทธศาสนิกชนเราไม่ช่วยกันจนลงพศาสนาโดยที่ทุกคนทำหน้าที่อย่างตั้งมั่นอย่างซื่อสัตย์นะศาสนามันจะไปไม่รอดตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นหมดนะของเราที่นี่บวชก็ดีไม่บวชก็ดีนะก็เราบวชใจได้บวชจิตได้นะให้มีศีลสมาธิปัญญาในตัวเราโดยเฉพาะ แยกมาเป็นทานศีลภาวนายุคนี้ต้องฟังจำคำว่าทานเยอะๆเพราะความโลภเราเยอะเราต้องยิ่งให้ทานเยอะๆมันจะทำลายความโลภความตนีเราความโลภความตนีเรามันจะครอบงำสติเรานะทำให้ปัญญาไม่เกิดมีแต่คิดเรื่องตัวเองเอาแต่ตัวเองไม่เคยคิดให้คนอื่นนะหลายปีก่อนพ่อครูมีโอกาสจาริก ไปตามรอยพุทธเจ้าที่อินเดียพเพราะครูไปสัมผัสสังคมซึ่งเขามีชั้นวรณนะชัดเจนแต่ไม่ใช่ช้นวะชั้นวรณนะสมัยสมัยโบราณคือถูกบังคับแต่มันเป็นชั้นวรณนะตามประเพณีตามวัฒนธรรมเป็นประเทศที่พระเจ้าเกิดที่ น, น่นเจ้าสายฤทธาประสูติที่ น, น่นแต่เป็นเมืองที่ขอทานมากที่สุดในโลก แล้วก็เศรษฐีก็เยอะทำไมเป็นอย่างนั้นพว ก, กูไปเห็นพวกวกูก็สัมผัสได้ที่แลกจิตพิจารณาเอเป็นเมืองที่พระเจ้าประสูติ์ที่นนทําำไมมีขอทานเยอะแค่นี้นะที่คนไทยเราเคยพูดเล่นๆพอเรียกคนจีนก็เรียกเจ๊กเรียกคนยวนก็เรียกไอ้แก้วพอเรียกคนอินเดียกบอกไอ้แขก เราพูดเล่นๆ น, นะอันนี้มนไม่ได้มีเจตนาอะไรเพราะครูตั้งแต่เด็กได้ยินมาเขาบอกว่าเดินไประหว่างเห็นงูก็เห็นแขกตีใครก่อนเขาบอกต้องตีแขกก่อนเพราะครูไปสัมผัสที่นั่นจริงๆเนื่องจากประชากรเขาเยอะมากเขาต้องเอาตัวรอดกลายเป็นเหมือนคนเป็นคนกะล่อนอตั้งแต่ขึ้นโลเท็กซี่ขึ้นอะไรเนี่ยมันกะล่อนตลอดเวลาเลย แล้วพวกูก็ตั้งโจทย์แล้วท่าผู้ย้าทำไมต้องมาเกิดที่เมืองนั้นนะจิตมันบอกว่าใช่สิเกิดที่เมืองนั้นนั่นแหละต้องไปเจอมารต่างๆแล้วเนี่ยมารไม่มีบา ร, รมีไม่เกิดถ้าเราผ่านได้นั่นยิ่งใหญ่มากนะทำไมขอทานเยอะแล้วขอทานเหล่านั้นนั่นพอพวกนักท่องเที่ยวเดินไปนี่เขากราบเลยนะเขาเรียกว่าอะไร เขาใช้ภาษาอะไรบาลีของเขาเนั่นเหมือนเรียกเราเป็นเป็นนางฟ้าเทวดาเลยนะเขายินดีเรียกเราเขายินดีเป็นขอทานและพระเจ้าที่เขาไหว้คือชูชกคือชูชกเขาขอเก่งที่สุดในโลกนะขอทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้กระทั่งไปขอไปขอกันหาชาลีไปขอลูกเขาก็ขอ นะพระเวสสันดรกล้าขอก็กล้าให้เห็นไหมคนให้เกิดมาเป็นอะไรเป็นพระพุทธเจ้าคนขอเกิดมาเป็นอะไรเป็นขอทานอย่าคิดว่าเราฉลาดนะมีแต่ขอขอมีแต่จะเอานอนเอานี่จากคนอื่นโดยไม่เคยให้เลยเนี่ยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคนอื่นไม่รู้จิตเราบันทึกไว้แล้ว จะคิดว่าตัวเองฉลาดเอาตัวรอดนะไม่รอดไม่มีทางรอดยังอยู่ในวัตฏะสงสารแล้วต้องรับผลกรรมตัวนั้นนี่แหละทุกวันนี้เราสอนให้เอาตัวรอดต้องเอาตัวรอดเป็นยอดดีคําสอนนี้ยังถูกต้องอยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจมันแค่ไหนนะไม่ใช่รอดเฉพาะหน้าไม่มองไกลๆนะไม่รอด อันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะทุกคนก็มีสำนึกนะทุกถามว่าว่างไหมถ้าพูดถึงไม่ว่างหรอกยี่สชั่วโมงของเราเนี่ยทำงานแก้ปัญหาเราเองเนี่ยก็ไม่พอแต่ถ้าเรามีสำนึกเราให้คุณค่านะกับวันสำคัญต่างๆที่เขาสมมุตินะเพื่อให้ทุกคนเนี่ย มีกระตันญูรู้คุณคนถ้าคนไม่กระตันยูเนี่ยคุณคิดว่าคุณเอาตัวรอดนะคุณหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราเองไม่ได้นะไม่เจริญมันเหมือนเจริญเหมือนว่าอุย้ยเรามีฐานะดีขึ้นแทนที่เราจะสมมติเราฐานะดีขึ้นตอนนี้ตีว่าเป็นค่าของเงินมีสิบล้านนะเราก็ไปงกอยู่กับเฝ้าสิบล้านเราเคยเลยพลาดโอกาสในการมีพันล้านมีแสนล้าน เราโง่ไม่รอดนะมีสิบล้านพอเขาแย่งไปหน่อยหนึ่งนี่าไปนั่งทุกข์นอนไม่หลับ เ, เห็นไมเราไม่รอดจากความทุกข์นั้นแต่ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญานะ่ยยิ่งให้ก็ยิ่งได้ได้มาแล้วก็ไม่อยากเอาไว้ก็ยังให้อีกนะได้อะไรได้อริยทรัพย์ได้บุญได้บา ร, รมีอันนี้มีโอกาสรอด อย่างน้อยมันยังไม่ถึงนิพพานยังไม่รอดแต่ช่วงที่เราอยู่นี่เนี่ยเขากระทบเราเขาก็ไม่กระเทือนเราเราก็รอดจากความทุกข์นะนี่วิชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในจักรวาล น, นี้ซึ่งพราะกูบอกว่ามนุษย์ทุกคนต้องเรียนแล้ววิชานี้เอาเราไปเผาเราตายแล้วกลายเป็นอากาศธาตุที่เหลือเป็นธาตุดินมันเผา ว, วิชานี้เราไม่ได้มันตามจิตดวงนี้ไปสร้างบารมีต่อ นะโดยชอบมีโอกาสมาเป็นครูจงยินดีกับความเป็นครูครูเป็นผู้ให้ถ้าเป็นวิชาชีพคนเป็นวาชีพที่ได้เปรียบแต่ถ้าเป็นครูไม่เป็นเนี่ยสองวันก่อนเพราะครูเห็นอะไรรู้ไหมครูยกขยงส่งตัวแทนไปทำเนียบรัฐบาลไปทำไมก็ไปขอเรื่องเก่าๆไปขอทานอีก ให้รัฐบาลเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาหนี้สินครูบริหารชีวิตตัวเองยังไม่ได้เดี๋ยวจะไปสอนให้เด็กมันบริหารให้ตัวรอดได้อย่างไรวิชาชีพอื่นเขาทำก็ทำแต่ครูเนี่ยไม่สมควรเพราะครูไม่ปฏิเสธนะเพราะครูเป็นคนทันสมัยมากนะแต่เพราะครูไม่ตามสมัยแต่เพราะครูไม่ปฏิเสธสมัยที่มันเปลี่ยนแปลง คุณครูที่พวกครูดูแลมาตั้งเด็กแต่เด็กก็เหมือนลูกเหมือนหลานเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าวัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปนะเออก็มาปรึกษาพวกครูว่าอยากจะซื้อรถมีลูกเล็กลูกน้อยนะขี่มอไซค์ตากแดดตากลมตากฝนมีเหตุผลพวกครูถามคําเดียวละไหวไหมเออถ้ารายได้เรากับรายจ่ายเราไหวเนี่ยก็ทําแค่พอดีนะตอนนี้พวกครูก็เบรกไม่อยู่ ไม่ใช่ทุกคนจะมาแกล้งจนกันหรือว่าไอส้สมมติฐานมมตฐาคือเรียบง่ายนะเรียบง่ายแต่ไม่ใช่ฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟยอย่าให้มันกลายเป็นแฟชั่นเธอก็ซื้อฉันก็ซื้อไม่รู้ว่าควรไม่ควรนะแต่ยังไงก็ช่างยุคนี้พระครูบอกแล้วว่าบางทีวัตถุนิยมเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรา นะถ้ามันเพิ่มความสะดวกสบายเราให้ชีวิตเราปลอดภัยแล้วก็ดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องแบกน้ำหนักอันนี้คือทางสายกลางนะให้ทุกคนมีสติไม่ใช่ทำจนตัวเองเนี่ยไปเดินขบวนยังกระเด็กแล้วคุณจะเป็นครูทำไมคุณแก้ปัญหาชีวิตตัวเองยังไม่ได้เลยถามว่านี่สินใครบังคับให้คุณเป็นเป็นเองหมดนั่นแหละนี่แหละถ้าเป็นอย่างพอดีแล้วเนี่ย มันก็ช่วยชีวิตเราดีขึ้นถ้าถ้าเป็นเกินความเป็นจริงแล้วเนี่ยอายไหมเกษตรก ร, ร, กรนี่เขาไปขอนี่ยังยังจำเป็นนะเพราะสังคมหลอกให้เขาเขาจนอยู่ดีๆเนี่ยเขาจนอยู่ดีๆเนี่ยสังคมมาสอนให้เขายากจนยี่สบกปีก่อนพวกกูมานี่ยังทันเาพาพวกกูไปเก็บเห็ดนะไปลงเขื่อน ในน้ำมีปลาในนามีข้าวเขาจนจนทุกคนในหมู่บ้านนี้ไม่มีใครแม้แต่หนึ่งคนไม่จนเขาไม่มีตังค์แต่เขาไม่เดือดร้อนแต่สังคมไมก่กระตุ้นเขาให้มันไม่เจริญไปกู้หนี้ยืมสินมามาทำาน่นทำนี่แล้วก็ขาดทุนตอนนี้ยากจนแล้วยากจนนี่แหละยากแล้วเพราะเป็นหนี้แล้วไม่จ่ายก็ไม่ได้เขายึดที่ยึดทางตอนนี้ถึงจะไม่ยึดก็ช่างขายทิ้งหมด ดีไหมเขาทําไมถึงเป็นแบบนี้เพราะครูเป็นแบบนี้ไงครูสอนให้เขาเป็นแบบนี้ไงบ้านเมืองเดือดร้อนไปหมดเลยอายไหมเกษตรก ร, ร, กรต้องเดินขบวนไปเพราะเราถูกโกหกเราจนอยู่ดีๆเขาทําให้เรายากจนแต่คุณครูเรียนแล้วเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยทำไมทําให้ตัวเองเป็นแบบนี้มันน่าอายไม่เป็นไร เราอยู่ในยกทุนนิยมรู้เท่าทันมันเห็นไหมพ่อครูทันสมัยแต่พ่อครูไม่ตามสมัยพ่อครูจึงมีส่วนเกินพ่อครูไม่มีเงินเดือนแล้วใครจ้างพ่อครูก็ไม่ได้แต่พ่อครูให้ทุกวันทุกวันนี้ไม่ได้คืนคนรวยนะเงินเต็มบ้านเลยแต่ไม่มีเศรษฐีมันไม่มีเศษส่วนเกินที่จะมาแบ่งปันสังคมมันถึงเละเทะ อินเดียเนี่ยขอทานเยอะที่สุดจะเศรษฐีเขาก็เยอะแต่พอครูไปดูแล้วเศรษฐีเขาไม่เหมือนเศรษฐีเขาเศรษฐีบ้านเรามีแค่คนรวยแต่ไม่มีเศรษฐีบริษัทห้างร้านเนี่ยเขารวยเขากาําไรปุ๊บเนี่ยเขาซื้อรถเก๋งเนี่แจกพนักงานสี่ห้าร้อยคนซื้อคอนโดให้หมดเลยนั่นแหละเศรษฐีเมืองไทยมีไหมไม่มีทัง้งทั้งทั้งที่เป็นเมืองพุทธอินเดียเป็นเมืองบ้านเกิดเมืองรองพุทพุทธเจ้าแต่ตอนนี้เป็น เป็นฮินดูเป็นาศาสนาอื่นส่วนใหญ่พุทธนี่ไม่กี่เปอร์เซนต์แต่วัฒนธรรมตัว น, นั้นเขายังอยู่เห็นไหมเขาเขาไม่ง่ที่จะเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนเอาตัวรอดเขารู้ว่าแบบนั้นเขาไม่รอดบริษัทเรากำไรรวยเนี่ยไม่ใช่เขาทำเองไอค 400, 500, ค้คนสี่ร้อยห้าร้อยคนคนหลายพันคนในี่ช่วยกันทำเมื่อกำไรเขาก็แบ่งปันบ้านเราม่ต้ไปกดค่าแรงงานของเขานรกอยู่ใกล้ อย่าคิดว่าตัวเองเอาตัวรอดนะนะมันไม่รอดมันไม่รอดต้องเชื่อพระพุทธเจ้าทานศีลภาวนาเป็นหน้าที่ของทุกคนถ้าทุกคนมีเรื่องให้เนี่ยครูก็ไม่ต้องทะเลาะ ก, กันนผู้บริหารครูต้องระวังนะอย่าพูดไปพูดมาแบ่งพักแบ่งพวกเดี๋ยวพ่อครูจะไปบริหารเองเรื่องไหนไม่ต้องพูดไม่ต้องพูด พอคนนี้มาฟ้องปุ๊บเราก็เก็บไว้คิดว่าพูดไปมันขัดแย้งไม่ต้องพูดเราก็บริหารเราก็บริหารไม่เป็นเราก็ให้ไม่ได้แทนที่เราจะให้โอกาสทุกคนเนี่ยเข้าใจกันรักกันอันนี้ตัวเองก็ไปอิจฉาคนผู ด, ด้วยกันเองเนี่ยไม่ใช่ผู้บริหารที่ดีนะต้องเป็นแบบอย่างเราต้องพูดเผู้เสียสละก่อนถ้าเราไม่เสียสละมิแต่จะเอาได้เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเนี่ยนะ แล้วครูเขาจะดีได้ยังไงเมื่อครูไม่ดีแล้วจะสอนเด็กมันดีได้ยังไงตอนนี้มันเป็นลูกโซ่เลยนะเป็นไปทั้งหมดเลยต้องไม่ใช่ครูพาานคอยนะตอนนี้ระบบครูลายเนี่ยมันกลายเป็นระบบข้าราชการนะมีเจ้าในใหญ่โตนะมีตำแหน่งพอรอรักษาตำแหน่งนะเพราะมีเงินประจาตำแหน่ง ไม่ยอมยุบโรงเรียนเล็กเพราะว่าฉันยังไม่มีตำแหน่งนะผ อ, อนี่คือแปลว่าอะไรรู้ไหมไม่ใช่ผู้อำนวยการนะียคือผู้เอามันอยากเป็นเพราะมันอยากได้เอาของเราผ อ, อเนี่มันเป็นชื่อต้องเป็นผู้อาสาผู้ให้เมื่อเรามีโอกาสตำแหน่งแล้วเนี่ยเราต้องฉวยโอกาสนั้นเป็นผู้ให้เพราะเราต้องการเอาตัวรอดไง เอาตัวรอดเป็นให้ยังไงหาเงินมาเกือบตายยังไม่พอเราให้ยังไงนั่นแหละคือทางรอดเราจะรอดจากวัตตะสงสารเราจะรอดจากความทุกข์เราคิดว่าผู้เอาเราเอารอดเหรอเหมือนเหมือนเหมือนเธอรอดเอเธอไม่รอดหรอกนะคนอิจฉาพอเธอจังหวะปุ๊บมันเล่นเรามันเล่นเราด้วยเพราะมันเกลียดเราเพราะเราเห็นแก่ตัวนะเรามีโอกาสมีบุญแล้วได้เกิดมาอยู่ในร่างมนุษย์ผู้ประเสริฐ แล้วยิงได้เป็นคนไทยมาเจอพุทธศาสนาเจอในหลวงองค์ปัจจุบันเนี่ยทําไมไม่เอาแบบอย่างพระองค์เนี่ยเสพสุขตลอดชีวิตก็ได้พระองค์ทุ่มเทตลอดชีวิตเราเห็นแต่เราไม่เห็นพอเรามีโอกาสเราก็ไม่ทํามีจะเป็นผ อ, อ, อเป็นผู้เอาไม่เอานะไม่เอานะให้นะนะคําว่าไม่เอานะคือคําเตือนนะ ให้นะก็คือคาเตือนอีกต้องเป็นผู้ให้นั่นแหละเป็นทางรอดเราให้บ่อยๆกิเล่มันกลัวมากมันไม่กล้าอยู่กับเราเพราะมันหลอกเราไม่ได้มันบอกเอาโยนกิเลทิ้งนั่นแหละเป็นทางรอดนะก้อนครูปีนี้เนี่ยหนักๆ ห, หน่อยนะถ้าไม่หนักมันไม่หลุดไงทุกคนติดยากาตาวช้างอยู่นะ เห็นไหมต้องเอาค้อนอย่างตีหัวให้มันตื่นไม่รู้ตื่นหรือเปล่านะทุกวันนี้เหนียวมากเนี่ยกิเลสมันพัฒนามันเก่งมากฮะถ้ามันอยู่แบบไม่ระวังตัวเราก็เวี่ยงมันทิ้งง่ายงไงมันก็เอากาวตาช้างมาเกาะกันเลยติดแน่นเลยมึงเวียงสิเธอเวียงกิเลทิ้งเหมือนเธอเวียงตัวเธอทิ้งเี่ยเหมือนเธอต้องตายด้วยอย่างนี้นะถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันอ่ะเราก็ถูกมันหลอกนงชีวิตเราไม่มีทางรอด อย่าคิดว่าตัวเองเราลอดนะพ่อครูมีเงินล้นฟ้าเลยไม่ลอดไงแต่ยี่บกปีลอดแล้วพว่อครูกูอยากมันทิ้งหมดแล้วไงไม่ต้องไปนั่งเฝ้าเห็นไหมละ่ะถ้าเรามีอยู่เราไม่ลอดเรากลัวเขาจะมาขโมยไม่คือมีความมั่นคงเลยนะแต่ตอนนี้มันไม่ต้องเฝ้าอะไรไม่มีอะไรเม็นหนึ่งอย่างเป็นของเราเราจะกังวลอะไรนี่คือความมั่นคงลอดแล้วลอดจริงๆ เห็นไหมยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งได้ได้มาไม่ใช่ได้อะนะเรากลัวมันหนักแล้วก็เวียงทิ้งอีกยิ่งได้ให้อีกเห็นไหมยิ่งได้ให้อีกเนี่ยกิเลสมันก็กลัวเราไม่กล้าอยู่กับเราเนี่ยเราลอดแล้วมันส่งให้เราข้ามวัฏฏะสงสารไม่ได้แล้วก็เรียนวิถีพุทธอยู่แล้วเนี่ยต้องเอามาใช้ไม่ใช่รู้เฉยเฉยนะเพราะงานส่วนตัวงานอะไรขยันมากแต่งานส่วนตัวเนี่ย ไม่ฉันจะเสียเปียบนะวันหนึ่งแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงผ่านไปโดยเฉพาะอาชีพครูพราครูบอกนะอาชีพครูเนี่ยเอาเปรียบอาชีพอืพ่นนะนะค่าจางการคนอื่นเสาที่ก็หยุดเราก็หยุดเราปิดเทอมอีกถึงจะไม่ได้อยู่แต่อะไรก็ไม่มีงานอะไรมากมายแต่ถ้าคนขยันเนี่ยคนฉลาดที่จะเอาตัวรอดเนี่ยต้องทํามากกว่าคนอื่นเอากิเลสออกมากกว่าคนอื่นแล้วเรามีโอกาสเป็นผู้ให้โดยเฉพาะ อาชีพครูเนี่ยเป็นโอกาสดีแล้วเป็นผู้ประสานวิชาเป็นผู้ให้ทุกวันแต่ถ้าเราเป็นผู้ขายวิชาว่าที่ฉันให้นี่ยเพราะฉันจำเป็นฉันต้องการเงินเดือนน่ะเราโง่แล้วนะแต่ถ้าเราฉลาดเอาความรู้ความสามารถเราเนี่ยมาให้กับเด็กไปสร้างเขาเป็นคนบุ ค, บคลากรที่ดีในสังคมเนี่ยนั่นแหละเราได้บุญเยอะๆเลยเห็นไม ไม่ใช่ว่าเป็นแค่ครูแค่ตำแหน่งแค่อะไรแค่ชั้นแค่อยู่ได้เหรอตอนนี้อยู่ไม่ได้จริงๆนะอะสมมุติว่าออกจากงานปุ๊บตอนนี้หรือว่าเกิดอุบัติเหตุทํางานไม่ได้เนี่ยเป็นหนี้แล้วรอดไหมไม่รอดเดีย๋ยวคิดว่าตัวเองฉลาดนะคนประมาทถ้าคนไม่ประมาทเนี่ยเขาพร้อมที่อะไรเกิดขึ้นตลอดเวลานมาเขาก็ไม่เดือดร้อนนั่นแหละคนรอดจริงๆ ไม่ใช่คิดว่ามีเยอะๆแล้วก็มีหนี้สินเยอะๆด้วยมันจะรอดนะไม่รอดไม่รอดเราไม่จ่ายเขาก็ไม่ได้นะอย่าอยากมากคิดจะเอาตัวเองตัวเองไม่เคยคิดส่วนรวมนะแล้วสุดท้ายตัวเองเดี้ยงไม่ดูสุขภาพตัวเองว่าทำได้แค่ไหนเห็นคนอื่นทำจะทำเหมือนเขาช้างขี่อยากไปขี่ตามช้างเพราะเรากับเขาไม่เหมือนกันนะยุคนี้เนี่ยกลัวได้เปียบเสียเปียบนะต้องเท่าเทียมกัน มีข้าวหกชามเด็กสามคนในกอในขอในงอนะคนหนึ่งมันตัวเล็กมันกินชามหนึ่งอิ่มพอดีคนที่สองกินสองชามอิ่มพอดีคนที่สามมันอ้วนมันต้องกินสามชามอิ่มพอดีสังคนต u t ไม่ได้ต้องเท่ากันหารสามเหมือนดีนะไอ้ตัวเล็กมึงต้องกินให้หมดนะทุกวันนี้เราให้เด็กมันท่องอะไ ร, รอยู่ไหม เข้าทุกจานอาหารทุกอย่างอย่า ก, กินทิ้งกว้างเป็นของมีค่าชาวนาเหนื่อยยากลำบากนักหนาสงสารชาวนาคนยากคนจนต้องกินให้มันหมดมันยัดเข้าไปมันทุกไหมมันทุกมากมีคนที่สองในขอมันกินอิ่มพอดียงไงในคอสองชามันอิ่มไม่อิ่มมันต้องกินสามเห็นไหมอย่างนี้พอดีไหมสังคมบ้าบอเนี่ย แข่งขันเสรีโดยไม่ยอมกันอย่างนี้นะมันไม่พอดีต้องให้อันนี้ชามหนึ่งอันนี้สองอันนี้สามคนในศูนนี่เหมือนกันไอ้คนนั้นทําไมทําได้ทําไมฉันทําไม่ได้เรียกร้องสิทธิอีกแล้วก็ เ, เขาทําได้ไงแต่ถ้าเธอทำํำน่ะมันเสียไงครูบาอาจารย์เขาเห็นจิตเขาเห็นนิสยัยเห็นสันดานอย่าไปเปรียบเทียบแล้วต้องเท่าเทียมกันมันไม่เท่ากันเกิดมาก็ไม่เท่ากันแล้ว ไอ้ลัทธิทุนนิยมแข่งขันเสรีเนี่ยทุกคนต้องเท่าเทียมกันมันเป็นความโง่มันไม่เท่ากันไม่ใช่เลือกที่รักมากที่ช่างโดยเฉพาะเรื่องจิตวิญญาณแล้วเนี่ยมันช่างกิโลไม่ได้นะคนที่ยังเข้าไม่ถึงวารา จ, จิตเขาเนี่ยมองไม่ออกเนี่ยมันจะตัดสินแบบเท่ากันนั่นแหละมันวุ่นวายไปหมดเลยไอ้คนหนึ่งก็เกินไอ้คนหนึ่งก็ไม่พอทุกคนไม่รู้หรอกกิเลมันจะอ้างเพราะว่า ก็มันทําได้ไงทํำไมฉันทําไม่ได้ก็มันทนําแล้วมันได้อา น, นิสงไงแต่ถ้าเธอทําแล้วมันเสียเธอสนองกิเลสคุณไงพราะครูไม่อนุญาตให้ทําถ้าไม่ฟังออกไปเลยไปเลยเสียเวลาอยู่ที่นี่ถ้าไม่มีศรัทธาเป็นเบื้องต้นน่ยอย่ามาอยู่ที่นี่เสียเวลาเสียข้าวสุกประแขที่นี่ยินดีนะอยู่กินฟรีไม่เคยเรียกร้องเงินเลยแต่อยู่กินแล้วก็ให้มันได้ ให้มันได้อา น, นิสงส์เดี๋ยถ้าอยู่แล้วเป็นสนองกิเลสเลี้ยงกิเลสเลยเนี่ยบาปถ้าพ่อครูไม่พูดพ่อครูก็ร่วมสังฆกรรมไปส่งเสริมให้เราทําบาปเนี่ยพ่อครูถ้าพวกเรายังอยู่พรอครูจะหนีพ่อครูไม่ร่วมสังฆกรรมถ้ามาแล้วฟังครูบาอาจารย์พูดอะไรอย่าถามว่าทําไมอธิบายจนตายไอ้คนไม่มีปัญญามันก็ไม่เข้าใจนะ จิตพวกครูไม่มีอคติไม่ใช่เลือกที่รักมากที่ชังแต่เรารู้ว่าไอ้คนนี้ให้มันแล้วมันได้แต่คนนี้ให้มันแล้วมันเสียเสียโอกาสชีวิตมันไปเพิ่มกิเลสมันน่พวกเรายังไม่มีปัญญาไม่แยกแยะว่าไม่มองไม่เห็นว่าคำว่านาน า, นาจิตตังนะคนเรามันไม่เหมือนกันเห็นไหมลูกฝาแฝดคู่หนึ่งเกิดมาครูก็เรียนวิทยาศาสตร์เกิดมาพร้อมกันเขา้งเรียกาฝาแฝดไง วิทยาศาสตร์ไปดีเเหมือนกันเลยอ่าด NA เหมือนกันพอดีเ อ, อ็นเอุ๊บวิไอ้นี่มึงทําแน่แน่เลยสมว่าไอ้แฝดผู้ใหญ่มันไปข่มขืนเขาอะไรนี่แหะดีเตรวจปุ๊บ ป, กปกุก็ไปจับไอ้ตัวดิ้นตัวนองด NA เหมือนกันแต่ว่านิสัยไม่เหมือนกันวิบากรรมมันไม่ไม่เหมือนกันไอ้ น, นี่ขี้แย น, นี้ไม่ขี้แยไอ้ น, นี่ไอคสูงไอคต่ำถา ม, ถามว่าใครกําหนดวิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้นะแต่พระที่เจ้าตอบได้พร่อครูตอบได้ เวษามันมองไม่เห็นมันมีไอ้ตัวเล็กๆกอยู่ DNA เหมือนอะตอมหีมันเรียกว่าอนุภาคใต้อะตอมแต่มันไม่รู้ว่าคืออะไรมันไม่มีเทคโนโลยีจะไปควบคุมมันอันนี้แหละคือกฎแห่งกรรมมันติดจิตเรานาะนมานะไม่ต้อาทำเล่นนะเรื่องนี้มีจริงนะสิทิโง่ไปเรียนเซนรู้จักแก้โง่บ้าง ัวดฉลาดแล้วเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยไอ้ตัวฉลาดทำให้เราเห็นแก่ตัวทำให้เราโง่นะนอบน้อมถ่อมตนเชื่อฟังผู้ทเจ้าไม่ใช่เชื่อฟังฟังฟังฟังเฉยเฉ ย, ยไปท่องจำคำสอนพระองค์แต่ไม่เคยทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆกับตัวเองเลยอันนั้นก็ไร้สาระเป็นแค่ขยะไตรศึกขาเขาบอกหมูอาจารย์ก็สอนศิลปะใช่ไหใครจะไม่รู้ไตรศึกขานี่ เด็กปอมันก็รู้มันก็เขียนสอบได้นะสินสมาธิปัญญาเห็นไหมอย่าว่าแต่ปริญญาเอกนะมันก็รู้ไม่ใช่รู้อย่างนั้นต้องทําให้มันเกิดขึ้นทําให้มันเป็นไม่ใช่รู้เฉยๆถ้าใจศึกขานี่แค่สามข้อนีงพ่อครูบอกว่าทําให้รอดพ้นเนี่ยโอ้ยใครก็รอดหมดแล้วอ่านแค่สามมาัีนี่ก็จําได้แล้วคือศินสมาธิปัญญา หรือทานศีลภาวน์ไม่ใช่ความรู้แบบนั้นเนี่ยความรู้แค่สามข้อเนี่ยทำให้มันเป็นจริงทำให้มันเป็นจริงนั่นแหละเป็นทางรอดจริงๆเป็นการเอาตัวรอดรอดภาษาอังกฤ ษ, ษบอก exactly success ก็คือว่ารอดพ้นจริงๆไม่ใช่เรื่องชีวิตเดียวรอดจากวัฏสงสารเนี่ยรอดจริงๆ ทุกคนต้องทำให้มันเกิดขึ้นกับเราแล้วต่อไปชอบอาชีพอะไรก็รักมีความพึงพอใจกับมันแล้วก็ตั้งใจทำใช้เครื่องมือสามอย่างนี้ไปทำมันจะเกิดมรรคผลกับชีวิตตัวเองกับผู้อื่นนั่นแหละเราเป็นเศรษฐีเรามีส่วนเกินให้แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยมีกี่แสนล้านเราก็ไม่มใช่เศรษฐีเพราะเรามีความรู้ผิดมีความเห็นแก่ตัวแล้วก็พลาดโอกาสในการให้ เราก็ไม่รอดให้เท่านั้นถึงจะรอดมีแต่จะเอานะมีเอาเอาเอ า, เ, อาเรียกร้อนเราคิดว่าเราเก่งเราโง่แล้วนะอันนี้ถ้าไม่ใช่ว่าพวกเราเนี่ยมาที่นี่ก็ถือว่าภาวนาตัวแล้วละ่ะเป็นลูกหลานนะเป็นญาติธรรมนะอย่างน้อยเรามีศรัทธาตั้งมั่นพราครูถึงกล้าพูดเรื่องนี้ถ้าพูดเรื่องนี้ไปพูดข้างนอกเนี่ยพูเขาว่าพวกคูด่าเขา ถ้าศรัทธามีคำดา่ากลายเป็นคำสอนถ้าศรัทธาไม่มีคำสอนกลายเป็นคำดา่าผู้เจ้าล็อกไปหมดเลยเพราะองค์ยิ่งใหญ่มากทำไมต้องเริ่มจากศรัทธาก่อนถ้าเราศรัทธาปุ๊บเราก็มีวิริยะนะถึงจะเหนื่อยแค่ไหนเบื่อแค่ไหนกูก็ต้องเอาไว้กูกูศรัทธามแต่ถ้าเราไม่ศรัทธาแล้ว เดี๋ยวจะไปโรงเรียนจะไปสอนแค่ตื่นขึ้นมากูก็เหนื่อยแล้วไม่อยากไปเลยอย่างเงี้ยขาดทุนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วขาดทุนชีวิตขาดทุนความสุขกำไรความทุกทุกวันแต่ถ้าเราสามีความพึงพอใจศรัทธากับสิ่งที่เราทำเนี่ยตื่นเช้ามายิ่งอยากไปเช้าเช้ายิ่งทับอยากทำงานกว่าก่คนอื่นเพราะมันมีความสุขมันจะมีวิริยะหม มันจะมีวิริยะจิตก็ตั้งมั่นไม่วอกแวกเพราะมันสนุกไงเพราะมันศรัทธามันมีความสุขเมื่อเราตั้งมั่นกับมันเราจดจ่อกับมันเนี่ยปัญญาก็เกิดวิมังสาก็ตามมาได้ทั้งมีแต่ได้ไม่มีเสียแต่ถ้าเรามีศรัทธาเบื่อมาไปทํางานเพราะว่าฉันถูกบังคับหรือฉันจําเป็นต้องดํารงชีวิตเฉยเฉฉันไม่รักมันเลยอันนี้ขาดทุนชีวิตทุกวันทําไปด้วยทุกไปด้วยอันนี้โง่แล้วโง่อีกโง่ซ้าซ้อนอย่างนี้ไปเป็นทาสานดีกว่า เอาแค่มาเรียนเรียนเกือบตายเสียเงินไม่รู้ไปกี่แสนกี่ล้านจบออกมาก็ทำงานไปแลกเงินไปลองคำนวณที่เราลงทุนมา20ปีจากอนุบาลจนถึงปริยาตีอะไรเนี่ยลงทุนลงแรงไปเท่าไหร่โดยเฉพาะเวลาของชีวิตเรามันประมาณค่าไม่ได้แล้วมาแลกไอ้เงินเดือนแค่นี้เนี่ยไม่คุม้มไม่คุม้มเสียเวลาชีวิตแต่เราเลือกอาชีพนี้เพราะอะไรเราจะมีโอกาสสร้างความดี ลองเอาเงินเราเนี่ยจะได้พราะลูกเศรษฐีในเมืองนะอนุบาลนี่เทอมหนึ่งเป็นแสนหลายแสนค่าใช้จ่ายมันนี่ไม่รู้ปีหนึ่งเป็นกี่ล้านก่อจะเรียนจบปริญญาตีเนี่มันไม่รู้กี่สิบร้อยล้านอ่ะพวกเศรษฐีแล้วมันเรียนบรรจุเป็นค่าจา ก, การเงินเดือนแค่หมื่นกว่าอย่างนี้นะถ้าคิดเงินต้นที่ลงทุนไปเนี่ยคิดดอกเบี้ยมันเนี่ยบอกบอกทุกต้นเนี่ยชาตินี้ทํางานก็ไม่ได้คืนโง่ แต่เรามาทำงานอาชีพกูเราถือว่าเป็นอาชีพที่เป็นปูชนวิบวกลเป็นอาชีพที่เราได้สร้างทานบารมีในแง่ชีวิตนี่เราได้เต็มเต็มถ้าไปคิดก็เรื่องเงินแล้วเนี่ยนาวาเพิ่งบอกพวกครูมาวันก่อนเขาไปในเมืองนะคนข้างบ้านแกนแถวนั้นนะ่ะนาวาดเป็นอะไรนาวาเป็นข้าราชการผู้ใหญ่นะเป็นหัวหน้าพยาบาล น, นะ อาชีพซื่อสัตย์มากทำปุ๊บทุกคนพิจูน้องกันแล้ก็รักนั่นแหละคือไม่ได้ทําอะไรดีตลอดชีวิตนาว่าก็ยังไม่พ้นทุกข์ไงถ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินนะนาว่าเออร์ลี่มาเพราะศรัทธาพราะกูอยางมาปฏิบัติมาทํางานที่ไม่มีเงินเดือนนะเออแถมยังเออร์ลี่ได้บําเบ็ดบำนานแล้วก็ยังเป็นเพราะเป็นหนี้เพราะบ้านมันยังจ่ายไม่หมดนะแต่นาว่าดยินดีนาว่าเล่าให้กูฟังว่าตอนนี้สองสามวันก่อนเข้าไปในเมืองมาเนี่ย ไอ้คนข้างบ้านแถวนั้นมันขายอะไรไอ้ขนมอะไรที่มันรังผึ้งอ่ะคุณยายตัว น, นั้นน่ยตอนนี้ยังทำรังผึ้งอยู่ตั้งแต่นาวาสเริ่มทำงานแกก็ทำรังผึ้งอยู่เขามีเงินฝากหลายสิบล้านนะ่ะคุณครูลาออกไปขายกล้วยปิ้งไปขายเต้าส่วนเต้าหวยเดี๋ยวมีเงินสิบล้านแต่อย่าใช่นะกูเก็บอย่างเดียวน่ะเดี๋ยวมีเงินสิบล้านชีวิตเราไม่ใช่มาหาเงิน จะเรียนเยอะๆเรียนุ่งสูงเพื่อจะจะมีเงินเดือนเยอะแต่ไม่ยอมทางานเน่ยไม่ต้องไปเรียนมันโง่มันไม่ใช่ทางรอดเรามาเป็นครูไม่ใช่เพื่อต้องการเงินเรามาเป็นครูเนี่ยเพื่อจะมีโอกาสได้สร้างทานบา ร, รมีนว่าตไปถานว่าตพูดจริงๆแล้วหลานสาวพระครูอีนเนี่ยหมวยชาวแว่นทั้งอุบลรู้จักหมดตอนนี้มันเป็นมหาเศรษฐีมันขายตั้งแต่ของหวานชามถ้วยละตั้งแต่บาทหนึ่งสมัยก่อนจนถึงสบาทจนถึงห้าบาท ตอนนี้มันมีร้านขายสเต็กไม่รู้กี่ร้านฉนวนมันแค่นี้ลาออกไม่ขายของหวานแต่้วยแค่ไหนก็ไม่รอดอย่าคิดแต่เรื่องเงินนะเรื่องฐานะนะโง่นะถ้าเราพอใจในสิ่งที่เราทำเราจะภาคภูมิใจมีโอกาสได้เป็นคำว่าครูเนี่ยคือครูลุคือผู้ประสาทวิชาเป็นผู้ให้โดยตรงเลย ถ้าจะเอาเงินเป็นใหญ่นะในหลวงเคยเคยเตือนเรานะเป็นข้าราชการเนี่ยถ้าไม่ขอถ้าจะไปคอรับชันอยากรวยนะท่านบอกให้ลาออกไปค้าขายยังอาจจะรวยแล้วก็อาจจะจนด้วยมันอาจจะมีกําไรแล้วอาจจะมีขาดทุนแต่ชีวิตมีสาระอะไรไหมไม่มีโอ้ทางานก็เอาแค่เอาตัวรอดเอาตัวรอดแค่เรื่องเศรษฐกิจเฉยๆเนะี่ยอย่างงั้นไปเป็นลิงดีกว่านะไม่ต้องเรียน ไม่ต้องไปทํางานไม่ต้องไปทะเลาะกับใครลิงก็เอาตัวรอดหิวก็กินง่วงก็นอนไปเป็นทาสานไม่ต้องสร้างกรรมอีกเห็นไหมเราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแค่มาเรียนเกือบตายแค่เอาตัวรอดแล้วสุดท้ายไม่รอดเราเจอวิชาเอาตัวรอด จ, จริงๆนะทําให้มันเกิดขึ้นจริงกับเราชีวิตเราจะดีขึ้นแล้วเราจะเป็นเศรษฐีไม่ต้องไปรอมีเงินเยอะๆ เ, เ, เป็นเศรษฐีวันนี้ก็ได้ ให้อภัยเพื่อนนี้ก็เป็นเศรษฐีแล้วให้แต่ความบริสุทธิ์แบ่งปันเขาอะควักเงินให้เขาบาทหนึ่งนี่เป็นเศรษฐีแล้วเรามีเศษส่วนเกินบาทหนึ่งเธอมีฐานะเท่าไหร่ล้านหนึ่งมีหนี้เท่าไหร่มีหนี้ห้าแสนนะแต่ฐานะนี้ไม่ยอมขายไม่นอยกอดมันไว้เพราะต้องการมากขึ้นคนนี้จนแล้วห้าแสน เป็นทาระแล้วหนะ้าแสนในกระเป๋ามีเงินเท่าไหร่มีเงินสองร้อยมีหนี้ไหมไม่มีคนนี้รวยแล้วสองร้อยวยเฉยๆนะแต่ถ้าสองร้อยกอดไว้กูไม่ยอมให้ใครคุณก็เป็นแค่รวยสองร้อยแต่ถ้าคุณแบ่งให้เขาร้อยหนึ่งเนี่ยคุณเป็นเศรษฐีแล้วคุณมีเศษส่วนเกินทุกคนเป็นเศรษฐีได้ทุกเวลาไม่ใช่รอมีก่อนก็เป็นเศรษฐีตายก่อนตายก่อน เป็นมนตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยวินาทีนี้เลยเอาวันครูวันนี้แหละทุกคนเป็นเศรษฐีหมดนะไม่ชีวกเหมือนกันนะเป็นเศรษฐีได้ทุกวันนี่แหละเราเศรษฐีตัวจริงเศรษฐียังไม่มีเวลามาปฏิบัติทรเลยมันไม่มีเวลามันจนชีวิตมากมันจนเวลาเนะเราเนี่ยเศรษฐีแล้วแต่อย่าให้ตัวเองจนนะจนอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่เลออกไปข้างนอก ไปโน่นไปนี่พ่อครูตอนนี้เมื่อเช้านี้เจอไม่ชีคนหนึ่งที่ครัวมอกวันเสาเจอพระครูเทศแล้วนี่ไม่ก้าวไปไหนไปเลยพ่อครูจะให้วีซ่าระยะยาวเลยคือวีซ่าวีซ่าวันเวย์ทิเกตนะ <S <S ไม่ต้องหัวเราะนะไปเลยนะ <S <S ชอบไปมากคนอยากอยู่ก็อยากอยู่มาขอลองพรอครูพระครูขอ อ, อขออยู่หน่อยไม่ให้อยู่ก็ทุกข์อีกไอ้คนอยากไปบอกไม่ให้ไปก็ทุกข์อีก ไม่รู้อะไรกันนักหนาต่อไปพเพราะคูจะให้วีซ่าระยะยาวซื้อตั๋วให้ด้วยแต่วันเวห้ามกลับมาไม่มั่งมุ่งมั่นไม่อะไรนิดนึงก็กลัวจะตายแล้วแล้วมันจะไปไห น, นจะไปนี่ผ่านเนี่ยไม่ใช่มันไปไม่ได้อ น, นี้ก็ไปไม่รอดอันนี้วิชาไปไม่รอดวิชาที่จะรอดเนี่ต้องมีขันติมีวิริยะมีศรัทธากับสิ่งที่เราทำ เราเล่นงานใหญ่มากไม่ใช่งานเรื่องชาติเดียวเนี่ยนี่รอดจริงๆนะก็วันนี้ก็ให้วิชาเอาตัวรอดโอเคนะก็สุดท้ายนี้เนื่องจากเป็นวันครูก็ขอรัตนาคุณพระศีรัตนาไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวานพร้อมทั้งบุญบา ร, รมีที่ร่วงกันพระพฤทิปิิบัติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขัญยืนบนรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทิเ